อารมณ์ของวิปัสสนานั้นจําเป็นท่านต้องให้เรียนสะกอนให้เรียนขันห้าให้รู้ยอะจักอารมณ์ของวิปัสสนาโดยฟังขั้นในใจให้เรียนขันห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาจักมาอันนี้เพื่อให้เรียนแต่ขันห้าและเพื่อให้เรียนอัญชละจิตต่อเพิ่มเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอัญชละภายในหกอัญชละภายนอกหก เนอินเตยิบสองอนยตสันติปฏินจัตต้กว่าสิบสองให้เรียนห้รู้จักถ่าห้าโมรู้จักสิมีแล้วเป็นการเจริญสติปัญญาเจริญนิพพานาละเป็นการเข้าใจได้งามมาทำบุญกันทุกวันทุกวันก็จะเป็นบุญิงก็ไปเรียนนำเพินปฏิบัติทุกวันก็พอเรียนได้ แต่เมื่อปฏิบัติแล้วมันก็จริงอยู่ดอกคำพูดอย่างนั้นแต่คำพูดอย่างนั้นมันยงแก้ทุกปัญได้ผมเลยบ้ค่อยมาวาจารือเรื่องอารมของมิปัสสนาถ้าหากพวกท่านต้องการอยากได้อารมวิปัสสนาอยางนั้นต้องไปเรียนเอาในหลักสูตรนักคับสันติสันโภสันเอกมู่ท่านได้เรียนมาแล้ว หากปกานเรียนแล้วเข้าใจแล้วก็คงจะหมดทุกข์ไปแม่ญาติโยมผู้ได้บวชได้ศึกษาแล้วเรียนปริยัติมาจนได้เป็น ม, มาหก ม, มหากรมีแ ก, แก้พยั้ชนะบวไรผมเองก็เคยได้เรียนมาเพียงเล็ก น, อน้อยก็แก้ทุกบวไรสิ่งแก้ทุกบวไรนั้นผมเลยว่าโมเมนต์อารมณ์ของวิปัสสนา สิ่งที่มันแก้ทุกได้นั่นแหละผมว่าเป็นอนุมณวิปัศนาโดยเฉพาะ อ, อ, อย่างยิ่งพวกเราไปติดเอาแต่วิธีการต่างๆเท่านั้นคือติดวิธีการนั่งอย่างนั้นกราบอย่างนี้ไหวยอย่างนั้นเดินอย่างนี้จึงจะถูกต้องให้ตั้งสติไว้จังสันให้ตั้งสติไว้จังตี้คุณสอนจังสันครับ ผมได้ไปเห็นน้ำเพลินเวลาพลิกมือขึ้นขัว้วมือลงยกมือไปเอามือมามีจังหวะติบมือเข้าเอามือออกมีหลายจังหวะครับเข้าสี่ออกค้ามีจังหวะที่จะลุกขึ้นมียุทธ์สิบสองจังหวะมีจังหวะที่จะล้มนอนรอให้ถึงนั้นมียุทธ์สิบห้าจังหวะ การกล้าพุบาอาจารย์นั้นมีอยู่สิบแปดจังหวะเราจะเพิ่นว่าผมก็เรียนนำเพิเนิลในขณะที่ทำจังหวะนั้นปพืกันว่าให้ตีงนิ่งตีงนิ่งเพิ่นว่าอย่างตันเมื่อมาคำหนึงแล้วคำว่าตีงนิงน้นตกอยู่ในอำนาจของการบริกรรมผมก็เลยเข้าใจอย่างที่เข้าใจโดยที่ว่าความคิดอันนี้ผมขบได้เคยคิด และนอกจากนั้นเพิ่อนจังวาให้วาตายตายเพื่นวาจัางตาผมก็เลยเข้าใจว่าอันตายตายนี่นก็เป็นการบริกรรมโบแม่นเป็นการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาผมเข้าใจเปนอย่างสิสิ่งที่เป็นบริกรรมนั้นผมเลยเข้าใจว่าสมสมถะกรร ม, ฐ, มฐานนะะั้นเนื่องด้วยบริกรรม ซึ่งใดที่หากยังมีการบริกรรมอยู่นั้นผมเข้าใจว่าเป็นสมถกรรมฐานตามความเข้าใจของผมวิปัตนากรรมฐานวิปัตนานั้นแปลว่าการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งนั้นบ้ม่เห็นเป็นสีเป็นแสงบ้ได้เห็นเทวบุตรเทวดาเหตุอินเห็นพรและบ้ได้เห็นรถตันลี่บได้เห็นนรกสวรรค์ บ่ได้เห็นคนตายแล้วนั้นไปตกนรกหรือไปเมืองสวรรค์ผมบม่ได้เห็นเหมือนกันผมพลิกมือขึ้นพว่มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังบางทีผมกระเทสตามแบบตกุบาจารย์สอนให้บางทีผมกระเ็ดแบบาาวก แ, กแนวไปฉะนั้นครูบาอาจารย์หลายท่านก็จะว่าผมเป็นคนแวกแนวขึ้นเลยตำแหน่ว่าเป็นคนแวกแนว แต่เธอย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นว่าการกระทำอย่างนี้มันปลุกนิสัยและจริตของผมผมก็เลยเข้าใจว่าตามอุดมการของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันและจริตนิสัยของคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเพรานว่าความรู้ความเห็นของผมนั้นมันไม่ตรงกับตำราก็จริง แต่ถึงมันพุ่งตรงกับตำลาการะตำซางผมถือว่าใช้ได้ก่อนที่ผมจะเสื่อมมั่นว่าใชได้นั่นเพราะเหตุใดเพราะว่ามันลดหรือมันค่อยๆเบาเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องความพยศของผมมีแต่กพอนผมเป็นคนพนยศและเป็นคนมีมานะเป็นคนมีทิฏฐิพอสมควร เทศไดว่าผมเป็นทางการนะครเพราะผมเคยพูดกับคนแล้วบุคคอยอยอมคนง่ายๆเพราะว่าผมก็เป็นคนโง่ขับรถได้ทาไมจึงว่าผมเป็นคนโง่อันนี้บอกให้ผมอวดดีเขาผมมาเราสู่กันฟังผมก็เคยยืมเงินคนไปซื้อของมากินครับแนะผมก็เคยเป็นหนี้คนผมหาเินด้วยความสุจริต ถึงผมบม่มีผมก็หาเินเองแม้เป็นหนี้เพื่อนเฟืองสลึงอัดไทยผมใส่คนถ้าหากผมยืมมาเพื่อนว่าจีสองมือไปส่งผมก็ส่งไปส่งโลดผมเป็นอานจารย์ที่ว่าผมเป็นนิสัยจังสันมะเมื่อผมมาปฏิบัติธรรมะนี่ผมจะเล่าประวัติให้ฟังเพียงน้อยๆครับ ผมมาทำพลิกมือขึ้นข่อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังลงมันมีปรวมปลากฏให้ผมรูเรื่องรูปนามครับแต่ก่อนผมมารูฟังอนิจจงรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังวิญญาณไม่เที่ยง ผมเฝ้าติดครับแค่ผมบุหุจักบุหุจักจริงๆผมแต่คนอื่นนั้นท่านอาจจะรู้จักเมื่อผมมาพลิกมือขึ้นคข้อมือลงยกมือไปเอามือมาผมเลยมีความสํานึกขึ้นอาบรูปนี้มันได้แก่ร่างกายให้ทุกส่วนเป็นรูพลิกมือขึ้นข้อมือลงเป็นรูสิ่งซิ่งที่รูรูพลิกมือขึ้นข้อมือลงนั้นแต่ว่าหนาม ดันั้นรูปกับน้ำนั้นมายถึงติดกันอยู่ในนั้นถ้าหากรูปน้มนี้ออกจากกันเมื่อใดก็ซื่อว่าคนตายผมเลยเข้าใจอย่างสีเมื่อเข้าใจอย่างสีแล้วผมเลยเข้าใจว่ารูปทำนา้ำทำธรรมะนี้คือการกระทําทุกวิธีแม่จีทาการทํางานทางฝ่ายโลกก็ดีหรือจะบําเพ็ญสมถะกรรมฐานทางฝ่ายธรรมก็ดี เรียกว่ารูรทมนามทมเพราะรูรทมแล้วนามก็ทำไปด้วยผมเลยเข้าใจยังส่ฉะนั้นคำพูดคมผมจึมพงพยายามแนะนำให้พวกเราทุกคนให้รู้รูปนามสะกอนเบื้องต้นเขาพลิกมือขึ้นคว่อมมือลงยกมือไปเอามือมาทิจรารณาลงที่ตรงน้โรด เมื่อเพศนาตรงนี้แล้วก็บหัจักว่าเป็นลูกเป็นน้ำขึ้นมากันทีเมื่อหัวจักรลูกน้ำแล้วก็ห้จักรลกูกโลกน้ำโลกบบนีูกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็สำนับโลกเ <c oughs> มื่อลูกเป็นโลกใจก็ไม่สบายได้ว่าโลกอันหนึ่งอันหนี่งหรว่าลูกเป็นโลกใจก็ไม่สบายโลกอีกเติมประเทศนึ่งร่างกายสบายกินข้าวนอนหลับ แต่เมื่อมีคนมาพูดให้ฟังความพอใจและความไม่พอใจมีขึ้นมาหลดอันนั้นก็เพราะว่าจิตเป็นโลกผมเลยเข้าใจว่าจิตเป็นโลกนี่ผมเข้าใจอย่างจีิเมื่อเข้าจักมาแค่นี่ผมก็เลยมาคำนวณบางเรื่องสมมุติมาคำนวณเรื่องสมมุติผมเข้าใจอย่างจัิงสมมุตินี่เราควรศึกษาให้รู้จักแท้ๆทันทังลาย ที่พวกท่านเคยศึกษาเล่าเรียนปริยัติมาพอสมควรเรื่องสมมตินี่แหละเราไปติดกันเรื่องสับแต่งสมมุติสับแต่งสมมุตินั้นเราไปเรียนแปลมาแล้วแปลเอาบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นคนเกิดบ้านเขาเมืองเข า, าเขาไม่ใชคนไทยครับ เป็นคนอินเดียแม่ท่านทั้งหลายทุกคนคงจะเข้าใจว่ า, าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียบ่มไม่คนไทยเมื่อพูดภาษาอินเดียแล้วเราก็จะไม่รู้จักดังนั้นครูบาอาจารย์จึงไปเรียนภาษาอินเดียนั้นแปลมาให้เป็นภาษาไทยการแปลนั้นบางทีอาจจะถูกต้องกับความหมายอ น, นั้นก็ได้ บางทีแปลไปอาจผิดกมหมายนั่นก็ได้ก้อนทิ่ตัดคำนี้ผมเอาที่ว้าตัวสาคัญให้ฟังนิดเดียวคึงได้ใส่อย่างนั้นโบได้ไฟฟ้าคือกันถ้ามันขาดฟิวนึงแล้วจะเอาไปใช้เป็นแสงไฟคือเก้า น, นังโบได้มีอยู่ในทุกคนคำคำนี้ผมเลยไปสะดุดใจว่ า, าพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวแั่ อ้าวแล้วกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวมันโบแมนเอาทําไมจิโบแมนเพราะเขแปลมาตามปกติผมพระพุทธเจ้านี้ต้องยาวคือกันกับผมธรรมดาธรรมดาคนทั่วไปถ้าตัดแล้วก็ต้องยาวตามธรรมดาธรรมดานี่แหละถึงสิบสี่สิบห้าวันก็ต้องเหีวเหมือนกัน ถ้าสิ่งที่ถอนผมเอามาทุกเส้นนะผมนั้นบุกกลับคืนมางอกอีกตื่นถ้าหากเสื้อเข้ามาคืงไว้ดีๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมว่าเนี่ยเอามีดมาตัดแต่แล้วเสื้อนั้นจีเข้ามาถึงกันตื้นๆเป็นสายโบได้ถ้าหากไฟฟ้าสมมุติว่าสายไฟมันฆ่าตัดเส้นนึงแล้วไฟต้องโบเดินสายนั้นฉะนั้นมันมีอยู่แต่มันบ่มี ผมเลยเข้าใจจุดนี้อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยโสบพอคนอื่นไม่ต้องสอนอย่างนี้เมื่อผมมาสดุดตัวนี้แล้วผมโอ้อันนั้นเป็นคําสอนของอาจารย์ทั่วไปเรื่องการทําบุญให้ทานรักษาศีลหรือทําสมถกรรมฐานเป็นคําสอนของอาจารย์ทั่วไปเรียกว่าศาสนา สิ่งที่มันมีความปารากฏเกิดขึ้นทางจิตใจคายายคือมันถอนผมออกทุกเส้นนี่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสุขคนอื่นไม่สอนและคนอื่นไม่มีความสามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แล้วท่านจึงออกไปสอนวิธีสอนของท่านกบับโบหลายโบได้ว่า เรื่องขันห้าอายัญตะนาสิบสองธาติสิบแปดอินรียี่สองอริยะ ส, ะสัตตปฏิจจสมุปบาทสิบสองอันนั้นเป็นคําสอนของศาสนาทั่วไปผมเลยเข้าใจอย่างเี็วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนโดยเฉพาะ ค, คืออย่งนั้วิธีที่เพิ่นบอกให้เบิงใจให้เอาสติมาดูใจโดยสบพาะเมื่อเอาสติมาดูใจนี่ครับใจมันคิด ทีแรกผมบูรู้จักครับทีแรกผมบูรหุจักผมเบื่อใจผมนี่ในขณะตอนนั้นวันนี้ผมกลับมาว่าตอนต้นพี่ได้ครับพี่เนีย้ยเมื่อกี้นี่ผมว่าตอนปลายวันนี้ผมจะมาว่าตอนต้นนี่ฉะ น, นั้นการพูดนั้นจึงว่ามีทางต้นและปลายถ้าจะเว่าไปตามตั้งแต่ต้นไปตามลําดับไปก็ได้เมื่อจะต้องจะว้าตั้งแต่ปลายคุณย่อลงมาก็ได้ ผมโดยโบุกเกอร์เินต่อการเข้าใจของผมและผมก็มีความวั่นไหวต่อคาพูดของใครทั้งหมดครูบาอาจารย์ว่าให้ผมเป็นคนแหวกแนวผิดผิดเพื่นแท้ผิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแท้แหวกแนวแท้เพราะผมกับครูบาอาจารย์บุษย์ไใชคนเดียวกันเนี่ยการสูงดำต่าขาวบวูคือกันแล้วคลมลูกควมุควมเห็นกับบูคือกัน คนเราต้องเสื่อมั่นตัวเองว่าผิดถูกถ้าหากผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าหากเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนจะรู้จักว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐินั่นจะเสื่อได้บนลใดเสื่อได้ขำพูดซึ่งที่ของที่ใส่ได้แล้วกลับมื้อนี้เอาไปใส่โบได้เอาไปใส่โบได้ของที่เคยใส่อยู่ทำไมใส่โบได้ เพราะมันบูถึงกันแล้วมันบูถึงก็รับต้องใส่บได้ยตีผมเข้าใจอย่างนี้แต่คําว่าถึงทําไมจีบูถึงยังพวกหาเสื้อมาต่อมันบูไม่ของติดต่อของซิ่งนั้นมันบูไม่ของติดต่อและกรมีจุเนทันมัดทุกคนผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเจ๊กก็มีไทยก็มีฝลั่งอังกฤษก็มีแก้วก็มีข้าห้อมก็มีมีมัดทุกคน ถ้าพวกท่านไปประสบพบเห็นกับอันนี้แล้วท่านไม่ต้องสงสัยหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นแปดหมื่นสี่พันพระนามขันนั้นอยู่จุดเดียวเท่านี้ไม่มากไม่ต้องพูดให้หมันมากเรามาสอนกันแน่แนวกันเพียงวิธีปฏิบัติเท่านั้นก็ได้และซิ่งนั้นไม่ต้องพูดก็ได้ เมื่อเราเดินเข้าจุดนี้แล้วมันจะไปเองนะถ้าหากเขาพวกเขาไปจุดนี้เราลอยถึงลอยไม่มีทางที่จะเข้ามาได้เลยนี่ตัวของผมขึ้นอาจจะเป็นก็นได้หรือไม่เป็นก็นได้คำพูดของผมนั้นผมต้องรับรองคำพูดผมผมทุกคาผมไม่ได้ยกให้เทวดามารับรองและบม่ได้ยกให้ครูบาอาจารย์ทุกองมารับรองใครจะรับรองก็ได้ไม่รับรองก็ได้ คำพูดของผมผมต้องรับผิดชอบคนเดียวสมมติว่าผมไปทำผิดกฎหมายและผมยงให้คนอื่นให้เจ้าหน้าที่เขาไปจับคนอื่นผมไม่ให้ไปจับต้องจับตัวผมถ้าหากผมไม่ได้รับบ่ไ ด, บบได้ทำผิดกฎหมายคนอื่นที้หาตว่าผมผิดกฎหมายผมบ่ยอมรับถั้งตายเอาชีวิตให้ค่าลงทีเดียวฆ่าเลยผมบ่ยอมรับคำผิดท่านั้น นั้นผมจว่าอ้ายืนยันคําพูดของผมทุกคําในตํำรับตําลานั้นถ้าหากผู้ใดจเจริญสติปัฏฐานที่ย่างผูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าสอนผมก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นเจจจอาจารย์สอนมาผมก็ไม่เห็นผมเห็นอยู่กับหลักสูตรธรรมวิจารณเป็นกรมลู่นักธรรมสัเอง ถ้าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานที่ย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นั้นย่างนานไม่เกินเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบห้าวันหรือเจ็ดวันมีอนนีิส่งสองประการนึ่งเป็นพระ อ, อรหันต์ถ้าหากบ่ได้เป็นพระ อ, อรหันต์นั้น ต้องเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันนี้หรือศาสตรน์นี้แล้วผู้ที่จเจริญสมถะกรรมาฐานก็ดีจเจริญวิปัสนาภาวนาก็ดีบางทีเพิ่อนอาจเห็ดถึงเจ็ดปีแล้วเพิ่นจะได้สําเร็จเป็นพระละหันแล้วผมก็ บ, บุญู้จักหรือเพิ่นจะได้เป็นพระอะไรผมก็ บ, บุญผู้จักเพราะผมมีความสามารถที่จะไปมองเห็นกิตใจคนนั้นคนนี้แต่ผม เข้าใจอย่างหนึ่งครับเข้าใจอย่างใดท่นบททาได้เป็นพระอรหันต์ครับเรื่องนี้ผมจึงได้กลับมาว้าเรื่องต้นไปให้ฟังเมื่อเรามาเอาสติดูจิตเนี่ยครับเมื่อนี้เลยตีบาเบาเรื่องมิปัสนาลูกน้ำเมื่อนี้เบ่าเรื่องลูกน้ำเพราะเบาให้กันฟังหลายมือแล้วเมื่อเราเอาสติมาดูจิตใจของเขามันนึกมันคิด มันคิดอันไดก็ให้รู้ทันถึงโบทันก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปยินดียินายคิดลายก็ทําสร้างหัวมันคิดดีก็ทําสร้างหัวมันโบยึดโบถือพอดีเขาคิดแล้วเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจเมื่อเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจความคิดมันหยุดเองพญาเบิ้งทอ น, น้และวิธีที่ผมทํานั้นผมเดินจงกรม ผมก็บโได้เดินซาซาคือยังมู่เพื่อนเดินผมเดินซ้าเดินไว้ผมเหตยังสั่นซามันเป็นยังไงซามันสติมันเลยบุกงครับมันเลยสติไปกําหนดอยู่กับเทาค่อยๆไปนั้นถ้าผมเดินไวๆสติมันกุ้งออกไปกับผมคิดแบบนี้ผมเลยเ็ตยังหวะเหตจังหวะซาซาแบบนี้สติมันก็กลับมาอยู่กับมือพี่แบบนี้ผมเหตย์ไวๆแบบนี้เหตย์ไวๆสติมันก็พุ่งไปหาผมคิดแบบนี้ เมื่อสติมันพุ่งไปหาความคิดเมื่อคิดอันใดขึ้นมันถันทุกบาทเมื่อมันคิดอยังไดผมถันทุกบาทหรือถันทุกเที่ยวเห็นทุกเที่ยวเข้าใจทุกเที่ยวสำหรับมันนึกขึ้นมากับเห็นโหลดเมื่อมันเห็นนังที่ผมคิดมันก็เลยหยุดบริบทพุ่งแต้มไปเมื่อมันเป็นลักษณงคลายคายคือว่าผมอยู่ในท่ำผมออกจากในท่ำมาได ผมคล้ายๆคือเราเข้ามาอยู่กับแสงสว่างอันหนึง่งผมไม่ได้อยู่ห้องมือแต่ก่อนแต่ก่อนผมอยู่ห้องมือไม่ได้อยู่ห้องมือคือแต่ก่อนเมื่อผมเห็นตัวนี้เราจิตใจผมมันเบาขึ้นมาทันทีผมเลยรูปปรมัตดปรมัตดโบแม่นว่าตาเห็นรูปปรมัดหูฟังเสียงเป็นปรมัดอันนี้เป็นปรมัตดสมมุติผมเลยบอกมาเว่ามือ น, นี้เพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องวิปัสนารูปหนาผมเข้าใจจยางสิร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นี่ครับผมวัาเมื่อ น, นี้นะ่ะผมจะตั้งใจเว้าให้พวกเราทุกคนฟังผมรับรองร้อยเปอร์เซ็นครับเรื่องนี้ว่าผิดก็ต้องผิดร้อยเอร์เซ็นตถ้าถูกก็ต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์พระมานะร้อยเปอร์เซ็นตแบบนี้ถูกพระพุทธเจ้าสอนมานี้เท่หก้อนทีรับรองได้ที่ไหนก็คือขอมขยศผมก็เลยมาลดลงกับท่าน มณทิทิลดลงกับท่านว่ากั น, นง่ายๆคือว่าโทสะโมหะโลภะเนี่ยลดกับทันลดทีเดียวครับเมื่อเห็นยังสิโลคายคือมณทิทิโทสะโมหะโลภะเนี่ยเบาไปลดครับเบาไปแทะๆรับรองเบาแทะๆวิธีนี้มาเห็นอันนี้แหละผมจึงว่ายืนยันว่าผู้ใดเจริญสติกามะ สติปัฏฐานสี่แบบนี้ถ้าเฮ็ุจริงๆแล้วเก้าสิบวันถ้าหากว่าบมเป็นคืออย่างที่ผมวาบอนนี้แหละฉัผมรับรองเอาชีวิตปูสาของท่านมทุกขุดผมเอาชีวิตปูสาแท้ๆเพราะอาปูซาของท่านกับเอาปูซาพระพุทธเจ้าคือกันเพราะพระพุทธเจ้านั้นอยู่กับคนทุกคนจึงไม่ยกเว้นบมไม่ที่สอนเวทนาสัญญาสังขารจิตเท่านั้นเท่านี้ดวงบแม่ัย เป็นเรื่องคำพูดของคนที่ซื้อไ่ได้แมนจังสันมันแสดงออกมาวัตถุวัตถุหมายถึงของที่มีอยู่บดต้องว่าดินฟ้าอากาศบต้องว่าบับเนี้ยต้นไม้ผูกเขาบดต้องว่าวัตถุซิ่งนั้นปรามัดหมายถึงเมื่อสติเข้าไปสัมผัสได้จริงๆอาการสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงหนักเป็นเบาได้จริงๆอาการสิ่งนั้นขุม บ, บังปิดไว้ออกได้จริงๆ ให้เป็นอังสันจึงว่ามันน้อยน้อยเมื่อเห็นจังสันล้วก็แสดงโทสะโมหโลพาชัดเจนเห็นอยู่ทุกลมหายใจแม่นั่งก็เห็นนอนก็เห็นกินดื่มก็เห็นได้ว่าเห็นธรรมเห็นธรรมต้องเห็นอันนี้ครับว่ไม่เห็นอันอื่นใครที่ว่าเห็นอันอื่นผมกับโบเสือก็ของผู้อื่นเห็นแมนบ่อน้อจะไปเสื้อเพศหญิงเราเห็นอย่างใดก็ต้องเอาจังนั้นมาเว่า พราะจึงว่าไม่ได้ยืมคำพูดของใครทั้งหมดผมเสื่อแน่ว่าผมพูดตามความจริงของผมด้วยความจริงใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกข์รูปคนนี้เป็นเทวดาไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของเทวดารูปกายนี้เป็นเรื่องของคน เวทนาเสวยทุกเสวยสุขเพราะคนมีทุกขมีสุขเวทนาไม่มีทุกขเป็นเวทนาของเทวดาสัญญาไม่มีทุกเป็นสัญญาของเทวดาสังขารไม่เป็นทุกเป็นสังขารของเทวดาวิญญาณไม่เป็นทุกเป็นวิญญาณของเทวดาว่าไม่จิตครับอันนี้ผมรับลองตัวผมเองครับว่ไม่จิตส่วนจิตอีกตื้นเรื่องหนึ่งจิตกับตัวชีวิตเป็นคนละเรื่องเลยอีกเรื่องหนึ่งผมเข้าใจอย่างสิครับ ว่าเวทนาเป็นจิตสัญญาเป็นจิตสังขารเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตอันนั้นเป็นคำว่าของ marks, ผู้อื่นครับผมไม่คำว่าของผมผม่รับรองอันนั้นครับผมรับรองคำนี้พี่รับรองคำพูดผลว้าวพี่ครับเวทนาสัญญาสังขารอย่ญญางเมื่อโทสะโมหะโลภะโภมีแล้วเวทนาไม่มีทุกสัญญาไม่มีทุกสังขารไม่มีทุกวิญญาณไม่มีทุกยี่ห้อันนี้เป็นนามรูปครับผมไม่รูปนาม มันเป็นทั้งนามมันเป็นทั้งรูปตัวนี้จริงว่ะโอ้เทวดานั้นบ่มีรูปแต่อาศัยรูปนี้ได้ครับอาศัยรูปนี้ได้บามแม่เทวดานั้นบ่มีตนบ่มีตัวบม่วบมแอนอีกปเ็นึงโอเทวดานั้นหมายถึงคนบ่มีขี้โกรธยู่สบายคือเวทนาไม่เซวียค่วมทุกสัญญาไม่เซวียค่วมทุก สัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกคนเอิ้นเทวดาเพราะเทวดาต้องความยืดสบายสบายความเยือกเย็นมีมีฮิลิโอตาปามีความละอายการท <cleanse. S 1> ําพูดคิดว่าัตถุผลต้อเข้าใจไปดังสีเมื่อเข้าใจอย่างนี้ผมเลยเข้าใจเรื่องความเป็นอรียบบุคคลรูปเดียวครับความเป็นอรียบุคคลเป็นกับที่ตรงนี้โบแมนซีบุคฮู้อันนี้แล้วเป็นพระยบุคคลนั้นผมกับบรับรอง ถ้าหูอันนี้แนละ้วหูซื่อๆนะครับหูมาจาักตำลานะครับพูดได้มาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมผมไม่หลับรอถ้าหากเห็นอันนี้ลดมานะลดทิฐิลดกวามพยุ์นั้นแหละเป็นอริยบุคคลได้จริงๆขั้นต้นเป็นอริยบุคคลเดียกวกาพระโสดาบันบุคคล และกับผมมีความสามารถจะพยายามปล ong ให้ทุกคนเข้ามาเห็นจุดนี้การสอนของผมผมว่ามันซีไปทางอื่นครับซีไปทางอื่นมันมากครับคําสอนของพระเจ้ามีมาแต่ความจริงแล้วไม่เห็นจุดนี้แล้วถูกมดหมต้องไปสอนให้มันมานี่เป็นอย่างนั้นผมเลยคํานวณได้ว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ในคํามือของพระเจ้าเนี่ยเพิ่นกําใบไม้แห้งขึ้นมากํำนึง แล้วถามภิกษุทางหลายว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือของเราะขาปนิย์เอามาเปรียบกันแล้วอันใดมากน้อยกันกันภิกษุที่พระพุทธเจ้าถามมั่งก็เลยว่าใบไม้ในป่า น, นั้นมากหลายใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้านั้นน้อยเอาเปรียบเทียบกันบ่ได้พระพุทธเจ้าเพก็เลยตอบว่าอันที่เรารู้เราเข้าใจมานั้นมากที่สุด แต่ที่จะนำมาสอนพวกท่านทางหลายนั้นน้อยๆเข้ากับใบไม้กับมือเดียวนี้อันนี้ผมก็เข้าใจอย่ที่วาจะสอนคนเนี่ยให้เพียงรู้จักรูปนามเท่านั้นแหละเบื้องแรกเมื่อรู้จักรูปนาแล้วก็ต้องรู้ไปให้มาก็ให้รู้จักสมมุตินล้วก็แล้แล้วหลลให้มาเบื้อกงกรมคิดนิโรดครับมันคิดให้รู้จักทันทีมันคิดให้รู้จักทันที ผมกเลยมาเปียกครับเป็นคนเปียกเทียบเหมือนแมวกับหนูถ้าหากหนูบ้านเรามีแล้วเอาแมวมาเลียงไว้เมื่อมีแมวแล้วหนูมันยนันถึงมันโบยนันมึงกระโดดออกมาแมวก็ต้องกินโหลดบัด น, นี้เมื่อเรามีสติโยนีิโทสะโมหโลภเกิดขึ้นไม่ได้จริงจริงการ สร้างสติแบบนี้มันทันกับการเคลื่อนไหวได้เหตุการณ์ต่างๆทีแรกนั้นต้องพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอาบือมาสาพอดีเรื่องรู้จักรูปนามแบบไม่ต้องสาผมเข้าใจอย่างสีเพราะความคิดมันก็มีตัวตนมันไวที่สุดนึกเพ็บเดียวนี่มันไปได้รอบโลกจึงว่าเอาไว้ใส้มันไวต้องไวทันขันโหลด ถ้าซาลับไว่วัดหันกันจักรเพื่อนี่ผมว่าตัวผมเองอันนี้ผมบ่ได้ว่าผู้อื่นเมื่อมีความปลากฏจยังซีผมก็เลยเสื้อมันว่าโอ้นี่เป็นขั้นนึงแล้วพอดีในระยะผมเดินจงกรมตอนแหลงครับเป็นอันนี้ครับผมว่าให้ฟังสื่อในเกณฑ์ห้าโมงกวัวเนี่ยคล้ายๆที่ทำวัดเป็นเดินจมกรมทางเดินจมกรมผมประมาณสามากวัว ผมก็โบเดินไปไกลกลับไปกลับมาพอรู้อันนี้แจ้งสัตว์ ป, ปุ๊บปั๊บจิตใจผมเปลี่ยนอีกตื่นขึ้นหนึ่งผมเลยสัมผัสเรื่องกิเลสนี่แหละกิเลสที่หมายถึงอย่างเหนียวว่าสัตนตัณหาหมายถึงข่มยากอุปทานมาทางการยึดมั่นถือมัน่นกรรมหมายถึงวิบาก <c oughs> และหมายถึงเราที่ได้เสวยทุกข์สุขอัน น, นัเลยเข้าใจอย่างสี้ ในขนาดส้วงระยะผมเดินจงกรมอยู่นั้นจิตใจผมได้สองระดับนี้ผมจึงเชื่อว่าแม่แมว่าเอออันนี้มันลดอันนี้อันนี้มันลดอันนี้พอดีมาปฏิบัติมาขั้นแรกพอดีลู่ตัววิญญาณแล้วมันเลยมืดในใจผมพอดีมันมืดผมเบื้องต้นนี้เข้าไปคล้ายๆคือมันจี้พ้าออกนีกนกระได้ครับหรือว่าคล้ายๆคือแบบมันมีความสว่างขึ้นในใจกระได้ มันมีความปรากฏในใจของผมความยึดมั่นถือมั่นมันก็หายไปเงื่อกิเลสตัณหาต่างๆนั่นมันก็ค่อยๆลดลงไปก็เลยบบยึดมั่นถือมั่นไพรซเวาสั่งใดก็สบายใจ <c oughs> เรื่องมุ่นครับเรื่องต่อไปผมก็เลยมาเอาสติดูความคิดอยู่หัน่นก็เลยโบเต็นครับต่อไปโบเป็ผมก็เลยมานอนมานอนตอน เศร้าผมดูตื่นกัตนาเกณฑ์ตีสี่ครับผมทํางานอยู่ในขณะนั้นมาเดินจมกลมอยู่ประมาณตีห้าเพลนอีกตึมได้สองระดับอีกตึมครับจิตใจผมยกขึ้นตึมสองระดับยกขึ้นไปฟ้าพุ่งในกบน็บวนแหงยกไปใส่กระบวนแหมันจิตใจมันปรากฏขึ้นใหม่ตึมสองขึื น, น ค, รครับเดินจมกลมคือเข้าครับเดินไปเดินมาในขณะตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยเข้าใจว่าผมถอนเส้นขนผมนีออกทรุษเส้น คือว่าร่างกายผมนี่มันขาดออกจากกันไปทั้งหมดเลยโมเมนมันนึกมันคิดได้ครับผมก็เคยคิดจะเถอะโมเมนตผมนอนล่ะครับกําลังผมย่างอยู่ครับกําลังผมเดินอยู่หรือคลายๆคือผมได้สมมุติเอาไว้ว่าเอาเสื้อมามัดที่ตรงนี้ถ้าเอามีดมาตัดเรื้อเอาไฟมาจุดมันหดเข้าไปแล้วดึงสกันบ่ถึงโอ้เรื่องนี้นี้เรื่องพระพุทธเจ้าสอนจุดนี้อ่ะสัน ผมเลยเข้าใจยังซีฉะนั้นผมจึงได้โบเรสเสือคูบาจานแม้โบเสือไผ่ทั้งหมดเลยผมก็เลยมีปัญหาถามตัวเองขึ้นมาทุกคนทําได้บอนได้ทุกคนเป็นบอสเป็นทุกคนทําให้จิ้งว่าเป็นทุกคนอันเท่มันโบเป็นนั้นเฮ็ดโบถูกมันโบถูกจุดนี้มันโบถเถียวมานี้มันก็เลยบบเข้ามานี้ถ้าให้จังซีได้จิ้เป็นนัเป็นทุกคนพอาทางมันมาเท่านี้แยกจากทางนี้ไปโบได มัทสัตผมถามปัญหาตัวเองเรื่องนี้มีอุปสรรคอยู่บันนี้เอาไว้ามาวันนี้เราก็ต้องวาเรื่องอุปสรรคให้ฟังเพื่อนในขณะที่เราจะริญนวิปัสสนาเรื่องวิปัสสนารูปนามนะบันนี้เอาเรื่องวิปัสสนารูปนามมาว่าให้ฟังเมื่อรู้จักรูปนามแล้วรู้จักตั้งแต่รูปนามลูบนามรูบทรมนามทำรูปโลกนามโลกแล้วก็รู้จักทุกขัง อ, อนิจจัง อ, อนัตตา รู้จักสมมุติรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนารู้จักบาปจากบุญมเท น, นั้นผมรับรองลอยเปอร์เซ็นต์นอกเหนือจากนั้นไม่มีนี่ผมกล้าสิครับอันที่รู้จักนั้นไปนั้นเป็นวิปัสสนุบวมแมนวิปัสนาแก้ทุกปัญหาฉะนั้นผมฟังวิธีของแต่ละคนวาน้นทุกทุกคนแต่ดูว่าเว้าไปนะั้นคือจเว้าไปตามอารมณ์ ถ้าเป็นอารมณ์นั้นม่นว่าเว้าไปตามอารมณ์ซื่อๆแก้ทุกบอดาความควาว่าแบบนั้นเป็นของเว้าของวิปัสสนุวิปัสสนุแปลว่ากิเลสอุปกิเลสวิปัสสนุอุปกิเลสอาจารย์นนเข้าใจอย่างไ น, นผมก็เป็นครับบ่แม่งผมก็เป็นนะครับผมก็เป็นมันคิดอันนั้นอันนี้โอ๊บจะไปแก้ปัญหาผู้นั้นจังท่านจะไปแก้ปัญหาผู้นั้นจังซี คิดสงสารผู้นั้นจะไปสอนจางซานจะไปสอนจังซีมันเป็นไปจางนั้นครับแต่มันมันลืมตัวไปครับมันได้อยากออกจากนอกตัวไปเป็นความลูกของวิปัสสนูอันแก้ทุกข์ผัวใดมีผู้ใดมาเว้าให้บมพอใจอย่างนี้อยู่ครับอยากเอาเทศนะมู่เมื่อมาเห็นปรมัตดนี่แหละครับตัดความคิดตัวนั้นได้แล้วกลับมาเบื้งคิดจุกใจกวามคิด น, คนี้ครับตัวนี้กลับเข้ามาเป็นวิปัสนาครับตัวนั้นแบ่งฐานกันับนี้เป็นวิปัสสนู ตัวนี้เข้ามาทั้งนี้เป็นวิปัสนาเมื่อมาเบื้องวิปัสนาเนี่ยพอดีจิตใจเปียนปกุกจิตใจบรรบกเคยพบความสุขประเภทนั้นครับมันก็เลยพอใจอันนี้เป็นวิปลาสกําเป็นปีติครับนี่มันมาซ่อนกันอยู่ที่ตรงนี้ครับวิปลาสนั้นติดความสุขเกินไปอยากกระโดดโลดเป็นโอโบแมนมันอยากลืมความสุขอันที่เราเป็นนั้นมันอยากลืมปกติพี่ครับ พอดีมันอันนั้นออกไปมันเป็นปกติเลยครับพอดีอันนั้นออกไปมันเป็นปกติมันอยักลืมปกติมันยักไปจับความสุขคุณอันนี้เป็นวิปลาสครับบัด น, นี้เรามาติดมาติดความสุขตัวนั้นเป็นปีติอันตัวปีตินี่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของพวกเราบ่งให้เราได้ตั้งใจเบื้องความคิดของเรามันเลยไปติดความสุขอยู่ฮั่นเมื่อไปติดความสุขอยู่ฮั่น มันก็เลยบ่ได้เบิ่งคิดครับมันเลยบ่เบิ่งความคิดมันต้อไปเบิ่งอารมณ์อารมณ์กับควาคิดนึ่นจึงเป็นคนละอันกันอีกตื้นหนึ่งมันไปเบิ่งอารมณ์มันก็ไปติดอยู่อารมณ์มันก็เลยเป็นโคมสุขอันนั้นเรียก ว, ว่าปีติปีติเป็นสิ่งที่ข่วงกัน บ, บ่งบให้เราได้เบิ่งบ่ให้เราได้เบิ่งจิตเบิ่งใจของเราเมื่อเรากลับมาเบิ่งจิตของใจเบิ่งจิตเบิ่งใจของเราปีติมันหายไป บันี้ตัวร่างกายกับจิตใจเขาเลยเป็นปกติเมื่อเป็นปกติเส้นกระคอยเบื้งเตจิตใจของเขามันเป็นไปเองครับผมก็เลยมาเปรียบเทียบว่โอ้น้ําทุกเม็ดฝนตกลงมาแต่ถึงฟ้าฝนทุกหยดครับเมื่อจิตตกใส้จอมภูจอมเขาการะตำซ่ามันต้องซื้ซึมลงไปหาของหาว่ามันต่ํา เมื head, ph, eland, ans, enough, like ่อ so ม <affe tới> ันซ <te le> ึมลงไปครับวพามันตามน้ำพัดมันตกหลมันก็ไหลลงไปตามคลองมันเมื่อมันตามคลองน้อยลงไปมันจะไปตามคลองใหญ่มันก็จะลงไปหาน้ำพองลงไปหาน้ำซีลงไปหาน้ามูลลงไปหาน้าโขงมันจะลงไปทะเลเมื่อทุกคนทุกเม็ดเม็ดฝนจะลงไปทะเลเมื่อทุกเม็ดั ท่านั้นพวกเราที่มาปฏิบัติกรรมฐานกนอยุ่ในขณะนี้ผมเสื่อแน่ในใจว่ามีอุดมการอย่างเดียวกันเพราะทุกคนคงจะลงไปสู้ทะเลให้หมดไม่มากนรอยเมื่อเราทุกคนมีอุดมการอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้นิพพานนั้นบบเมนวัติตายแล้วอย่างเอา ถ้าหากทุกคนไปเข้าใจว่านิพพานตายแล้วยังเอานั้นอั น, นั้นกระทุกขุมข้าครับ บ, รบ่าบุถูกุมแมเนี่ยเพราะคมเห็นของคนมันไม่เหมือนกันความสุขที่แท้นั้นคือเขาเป็นปกติเท่านั้นความปกตินั่นแหละครับเป็นความถูกต้องถ้าหากอย่งางบ่เป็นปกตินั้นความถูกต้องอยังไม่มีนั่นเป็นอย่างต่างครับผมเลยเข้าใจอย่างตี ตัวชีวิตของเขาจริงๆนั้นไม่มีอันใดเลยที่มันมากรุงมาแต่งให้เขาคิดอะน น, นนั้ี่บ่แม่งจิตใจขเขาบ่แมนครับบ่แม่งตัวชีวิตของเขาเป็นตัวกิเลสซื่ อ, อผมเลยบ่เข้าใว่าจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดผมเลยบ่ได้อมาสนใจผมเลยบ่ได้อมาสนใจจิตเจตสิกผมก็เลยบ่ได้อมาสนใจสิ่งเหล่านั้นมันเป็นคําพูด มันได้แก้ทุกโบได้ตนผมได้เรียนเบื้องหนังสืออภิธรรมครับอภิธรรมคืนให้ให้อำมาอ่านผมก็ได้เรียนน้อยๆครับและมันแก้ทุกโบได้เมื่อมาเป็นทั้งตีแล้วผมรับรองลอยถึงลอยครับ <c oughs> ใครติดด่าท่านาก็นด่าแล้วเรื่องผมด่ามันบุษมีประโยชน์มีย้ยองคนเอาคันรับรองให้พวกอื่นด่าได้ก็สบายใจเป็นบอก ขันถ้าห้าเขาด่าแล้วเจ้าของยังมีคึกคักขึ้นนั่นจิตใจไม่ปกติแล้วบัดเนี่ยจิตใจบ่ปกติเป็นอย่งยกกระทูกปรุงแต่งไปสันวัจจิวาอย่างไรถึกปรุงแต่งไปกับ่ปกติแล้วแล้วเราที่มีสิได้บ่บริบไว้ไม่มีสินเลยสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนั้นกําจัดสิ่งนี้ไม่ได้รับรองร้อยถึงลอยครับเมื่อเฮามาเห็นจังซี่แล้ว สิ่ น, นั้นคือเป็นอธิสินศิกาขาอธิจิตตศิกขาอธิปัญญาศิกขาจริงท่านจะสัมผัสได้ในขณะเมื่อจิตใจของท่านเปี่ยนอันระดับสามจิตใจของท่านจะยกระดับจิตของท่านขึ้นไปสู่อันระดับสามจิตใจของท่านจะเปี่ยนอันระดับสามนั่นแหละสิ่นอันนี้จะปรากฏเกิดขึ้นกับจิตใจของทุกคนไม่ยกเว้น อยากเป็นผู้หญิงก่อสร้างผู้สายก่ตอตาอยากเป็นพระเป็นเนงก่ตอตาเป็นอย่างกระตางเพราะมันมีอยู่ในคนทุกคนผมจึงกล้ายืนยันรับรองว่าไม่ยกเว้นและผมยังกล้ายืนยันอีกตื่มเธอนึ่งว่าเอาย่างนานไม่เกินสามปีและผมยังกล้ายืนยันอีกตื่มว่าถ้าหากท่านเป็นข้าราชการ เงินเดือนของท่านกําหนดสามพันบาทถ้าท่านมาเจริญสติปัฏฐานซีแบบนี่ในเกณฑ์เก้าสิบวันทําให้ติดต่อกันจริงๆผมหาเงินให้ครบสามเดือนแล้วให้เก้าพันบาทแต่ผมก็มีเงินเก้าพันผมก็สิหาให้เมื่อท่านรู้แล้วท่านจะทําอย่างไรอ้าวล้วก็เป็นค่อยพระพุทธเจ้าเป็นค่อยพระธรรมเป็นค่อยพระสงฆ์เราต้องทําแทนพระพุทธเจ้า ทำแทนพระธรรมทำแทนพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือไผ่คือผู้รู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าคือตัวสติปัญญายังรู้เข้าไปสัมผัสได้จริงๆนั่นแหละพระธรรมคือยังคือเอาคำสอนอันนั้นะไปสอนแนะนําให้เขารู้ได้เห็นได้เข้าใจได้พระสงคือไผคือผู้ที่เสื้อฟังแล้วปฏิบัติตามจยางซันครบกําหนดเข้าสิบวันแล้วต้องรู้ถ้าหากไม่รู้แล้วผิดเลย ทำสอนแบบนั้นไม่ถูกต้องจริงๆอันนี้เราเคยทำกรรมฐานกันมาแล้วบางคนทำเก้าปีสิบปีก็มีสี่ปีห้าปีก็มีเราไปเอาสิ่งที่มันมันแก้ทุกข์บได้มาเว้ากันผมเลยบได้เว้าเรื่องหนีมิตหยิบหยิบเงบเ บ, บ, บ, บผมบเว้าอันว่า น, นีมิดนั่นอนะ่ะมันโมแมนครับเขาบูหุจกักควนวา น, นีมิดทำบูหุจักผม มเมตตาคูบาอาจารย์เพื่อนในขณะผมทํมากรรมฐานน้อยๆเป็นเนนนะครับคูบาผมเนี่สอนให้ผมเอามือเป็นรูปขี้บินหม้อไปครับผมเป็นเนนน้อยผมยุคู้วจักไม่ยังหม้อนึงเขาหม้อออกม้ อ, อกมแกงเขานะครับเพื่อนให้เอามือผมเป็นรูปขิ้ ม, ม้อสิท่านเห็นเสือมาเพื่อนให้เอามือตกหน้าเหมันท่านตกหน้าเสือเพื่อนบอกมันสิผมกเ็เฮ็ดเฮ็ดแล้วเสือเมื่อกี้มีมาจากเธอของว่ามันบวเหตุจากเธอได้เสือมันก็ไ ม, ม่มี แต่ว่าเห็นอย่างอื่นเห็นเห็นสีเห็นแสงนั้นเห็นเห็นเพราะเขาคิดเอาครับอันนั้นบรแมแอนมันเป็นมายาของจิตใจของกิเลสซื่อๆฉะนั้นพระเจะ้ามาทําวิปปัตนาเนี่ยให้ได้นิมิตแล้วยกระดับจิตขึ้นนะท่านอันนั้นเป็นถูกคําำพูดขอบแต่ว่าการกระทําไม่ถูกคําว่าเขาเห็นนิมิตอันนึงแล้วยกระดับจิตขึ้นไปตามลําดับของนิมิตนั้นถูก นิมิตเปลวเครื่องหมายนิมิตเปลวเครื่องหมายได้ครับเขาพลิกมือขึ้นหนึ่ซีให้โหัมือเนี่ยนิมิตของเขาคว้ามือที่ให้หัวมือเนี่นิมิตของเขาผมเข้าใจอย่างซีพลิกตาลงทึ้นนึงกับเป็นนิมิตของเขาลืดตาขึ้นขึ้นกับเป็นนิมิตของเราหายใจเข้าถึงนึงกับนิมิตของเราใจคิดถึงนึงก็เป็นนิมิตของเรานิมิตเปลวเครื่องหมายให้เอาสติมาคุมอยู่เท่านี้หนึ่งสี่สือนี่ครับ เมื่อมันรู้เท่าทันทุกประโยคของแล้วมันเลยเต็มมันเต็มแต่ว่าสติเราสมบูรณ์มันเลยบว่ชมันเลยเป็นกับนึงขึ้นมาเลยกับนึงกับโบได้หมายถึงกับกระป๋องโบได้หมายถึงกับยากับพร ะ, พะโบได้หมายถึงกับน้ํำนมโมแมนกระปองอนันตโมเมนต์กั บ, ออ น, น, น, บ, น, กบนึ่งน้ำมายถึงเหาเนี่ยบราเคยเอาสติมาควบคุมตัวเหาจากเครือ การเคลื่อนไหวโดยวิธีใดของบุเร่เอาสติมาควบคุมจักเพื่อมันก็เลยว่าเวอยู่คล้ายๆตัอว่าคนยูบกับไม่อย่างพวกบู๊จคจับขับรถ้ายจีเปียบสมมุติเอาตือๆคล้ายๆคือเขาเอาเข็มไปทิมม้งในกลางทะเลครับแล้วเขาไปงมเอาเข็มดวง น, น้อยๆอยู่กลางทะเลมันก็เลยบกพอคันเมื่อจิพอก็จนเท่ามันปักมือของพุน่นของยังจีพอ อ น, นั้นเลยว่าเขาว่าเขาไมมีสติควบคุมตัวของเขาจากที่เรีวยกว่ามันว่างมันว่างมันหลงเมื่อเขาโบาลงมีสติควบคุมโยนี่เดียก ว, ว่ามันเต็มผมเลยเข้าใจมาอย่างสิครับเรื่องตายหูตายฮาผมก็เกิดเข้าใจไปในทางที่ผมมองให้หมู่ฟัง น, น, นะครับบมเมนตายเน่าเข้าลงตายหูตายฮากันนะครับตายคน ขาดจากคุณธรรมแต่บบได้ขาดจากคุณธรรมคนมีคุณธรรมอยู่โบเอาคุณธรรมไปใส่เพราะธรรมนั่นมีอยู่ประจําใจของคนทุกคนเป็นคนประมาทคนประมาทเป็นบอ่อเกิดแห่งความตายเขาว่าจยางนั้นฉะนั้นจึงว่าคนตายห่วงคนตายหาในคนโบได้พิจารณาถึงตัวชีวิตของเขา ทีเป็นผู้แก้กระตาผู้น้อยกระตามผู้เท่ากระตาถ้าหากเขาไม่ได้พิจารณาถึงตัวชีวิตของเขาซืีอว่าเขายัางตายหงตายหาอยู่ครับพ่อแม่เพื่อนเคยว่าผมเคยได้ยินคนตายหงตายฮานั่นตายไปแล้วเพื่อนบอกให้ไปจุด ห, วห่วงปาเฮีวบอกให้ไปฝัง่งห่วงปาเหวเพื่อนเอื้นคนตายหงเอาไปฝั่งกระโบได้บอเป็นยังขับไปเรื่องสมมุติ คนเป็นเป็นเขานี่แหละครับย่างพมก็คือกันย่างท่านคือกันถ้าหากเรายังี่ยเราตัวเขาให้เป็นพระและ้วเขายังเป็นคนตายหูงอยู่บริเวณหัวไปเหวของพระพุทธเจ้าถ้าหากผู้หญิงก่อสร้างผู้ชายก็าตามเป็นพระเป็นเน่งก่อสร้างได้บวชก่อสร้างบ่ได้บวชกว่อตามทํ า, า, าทให้ไปตามลําดับในจิตพบพระพุทธเจ้าจิพบพระสงฆ์มาสวดก่อสร้างพบพบ ถ้าส่งมาสวดกอด า, ามซื่อว่าได้พบพระโพธเจ้าซื่อว่าได้พบพระเพราะทําตัวให้เป็นพระได้จริงๆรับรองพระอริยบุคคลอยู่กับคนทุกคนแล้วแต่เขาหักบ อ, อกเอาพระอริยบุคคลขึ้นมาใส่ไเท่านั้นซื่อเมื่อใดเขาจึงจีบเอาพระอริยบุคคลขึ้นมาอยู่กับเขาได้เขาจีให้ทั้งสี่อยู่โบถ้าห้าเขาสนใจเอาผมรับรองหมดอยู่นี่นะครับ ผมรับรองคําพูดของผมและผมไม่ได้รับรองผู้อื่นนี่ครับถ้าหากพวกท่านมีความสามารถยืนยันเอาง้าเาถ้าเป็นนักมวยลูกสู้กันนะท่านผมจิตสู้คนนครับถ้าพวกท่านเคยมีอัตราเงินเดือนมาคนละร้อยบาททำสามเดือนทำอย่างผมวานี้ถ้าท่านมีอัตราเงินเดือนคนละห้ารอยบาทก็จำไว้ถ้าพวกท่านมีเงินเดือาานอัตราไม่เกินพันบาทก็จําไว้ผมหาให้จริงๆ เพราะผมต้องการต้องการจริงๆครับเรื่องสินนักบุญสินนักกรมสร้างหัวมันอวัยแตกนพวกท่านมาทำเรียกว่าเข้ากรรมให้มันรุดบา้ารุกกันได้ดอกสิ่งพีโลกเขาเวาโลกเขาเวาวซื้ อ, อ, อเรื่องสมมุติอันนี้บผมเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ ก็ได้นะครับถ้าไปเจริญสติปัฏฐานซีอยู่ในเราเรื่องเข้าวกรรมอบัตตต่างๆมันจะตกออกปุกปิกปุก ป, กปิกออ ก, กเดียวมันละแม่ครับฮอมันจะตกออกสันย่อหูจักนั่มันจะไปเฮ็ดเฮ็ดง้งคนอันคนเฮ็ดนั่นคือคนกูหูจักซื้อๆครับท่านหูจักบอกไปด่าเขาอ่ะหู้จักเต้นใจให้ไปด่าเขาน่ะด่าเขามันเป็นยังไง เอาด่าเขาเจ้าของทุกเกือบตายเนี่ยไปด่าผู้อื่นอีกตื่นซำ้ำกาังนับตัวเขาพีัสิดูดีก็ไปด่าผู้อื่นเพื่อกพระพุทธเจ้าเพืน่นสอนจังซีเดยกขะเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลลงฝังคักๆเด็กอันที่ผมเบาเนี่ยเพื่อนวเอาสนะคนอื่นร้อยทีพันทีไม่มีประโยชน์เท่าเอาสนะตนทีเดียวนี่เพื่อนวาคนผ่านดอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคง อันไปด่าผู้อื่นอาคนผ่านต่างหาเขาว่าเขาได้อาสนะตัวเองเพราะการสนะผู้อื่นอันนั้นเผู้อื่นคนผ่านนะ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเพูดมาผู้ใดมีความอดกันผู้อื่นด่าเขาแล้วสบายใจอยู่เอาสติเบิงจิตเบิงใจเขาอยู่ความลงบ่วมีพี่ได้ผู้อื่นว่าอาสนะตัวเองมันเลยบุฟุ้งไปหาผู้อื่นพนดูดเลยอันนี้ได้พระพุทธเจ้าสอน เมื่อเขา่าเอาความผิดเ่าเอากิเลสออกไปฟุ้งใส่ผู้อื่นผู้อื่นก็เลยบ่มีทุกข์ตัวเขาก็เลยบ่มีทุกข์นี่เป็นว่าการทานทำย่อมสนะฐานทั้งปวงการทานอื่นหมื่นแสนสเปนวก็ไม่เหมือนการให้ธรรมะเป็นทานทานอื่นหมื่นแสนคือทานเงินทานทอง<ม>นี่แหละครับ ให้เขาเมื่อนึงแสนนึงคันเขาอย่างใจหายอยู่กัยั้งโบได้ประโยชน์หลายถ้าหากเขามีผู้ใดมาไหว้เขาแล้วควมสุกโกปกุกหรือควมยาบขายต่างๆนะี่เขากลับเอาสติมาดูใจเขาอยู่นี่รับรองโลดครับอันนั้นแหละเพื่อเอิ้นฐานทำรรเออเขาโบมีเขาขอเอาไปซะเจ้าโมีอย่างนั้นเอาไปซะเรื่อว่าเขาทานทำ ทานทํนากามัยเถิงเข่าใจดีแล้วก็ไปว่งางสะฝังอีกตื้นเธหนึ่งถ้าหากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทานซึ่งมีเราความสงบเกิดขึ้นมาแท้ๆถ้าหาพ่อแม่พี่น้องที่เอาเต้เงินเต้ทองไปฐานนั้นความสงบมีน้อยครับถ้าหากเขามีเงินลอยหนึ่งนะเอาไปฐานสละลอยหนึ่งบัดนี้ลูกเขาเจ็บทองขึ้นมาลุตัวเขาเจ็บท้องขึ้นมาจะเอาเงินที่ได้ไปซื้ อ, อยาทานใจมากิน กระมดแล้วเนี่ยแล้วบุญอันนั้นสิมาซอยหา่ามซอยให้เขาเจ็บหัวปวดท้องเสาบ่อเสาถ้าหากคนสลาดแล้วทานกระฐานกับบราห้ามแต่ว่ารักษาไวแด่เอาไวแด่เอาไว้ซื้ อ, อยาทันใจกินแด่ผมเองได้ทานแล้วอันนี้เรื่องนี้ครับผมเห็ดวิปัสนา ผมบ่นให้ที่ปริศนาครับผมหลวงขออภัยไว้เมื่อกี้เนี่ยผมสร้างวิทย์อันนึงครับพ่อแม่เพิ่นสอนบอกว่าตายไปเท่อนี้แล้วเกิดมาสาร้างน้าจะได้ไปได้ขุมคําว่าผมอยากได้คุมคําครับผมก็เลยสร้างสร้างวิทย์สร้างโดยที่ว่าเงินกําลังอึดคมนั้นครับมีเงินแปดสิบบาทในขณะผมมึมีเงินแปดสิบบาทนั้นผมมีลูกน้องสลูกน้องห้าคนเลยนะครับผมไปคา มีเงินแปสิบาทกุ้มลูกน้องในห้าคนเลยมาจ้างเขาขุดวิตเฮ็ดวิตแล้วก็มีคขำแบบ น, นี้เอาไปลงก้นบอ่อขำก้นบ่ออันก้นบอ่อวิตเนี่นครับเงินกระมัดขำก็ไปลงให้นหมดสมน้ำหน้าผมเพระอื่นบมได้สมน้ำหน้านผมเลยเหมดเงินกระมัดขำกระมดทุกแบบ น, นึงรวมทุกแล้วเงินอันนั้นก็บุกคืนมาหาผมผมดินขึ้นมาอีกตึมคนหนึ่งอีกตึมนหนึ่ ง, งดินขึ้นมาจะไหนต้องหา โอ้บดัดใดมันคนขยันขันแข็งซื้อซื้ออันมีเงินนี่ครับหาซื้อซื้อดินะหมดเงินแล้วคนบวมีเงินก็ต้องหาตีต้องคิดต้องหาต้องพิกต้องปิ้นต้องซื้ออันนั้นขายอันนี้ก็เลยมีขึ้นมาตืมเล็กๆน้อยๆครับจนกระทั่งมาสร้างโบสถ์สร้างสิ่งเฮ็ดกองหดกองบวชเฮ็ดเปรมทุกอันผมเนี่อยากได้บุญหลาผมก็ยังบ่เห็นว่าผมมีบุญเถอะ บุญู้อยกว่าผมมีบุญในขณะนั้นฉะนั้นการทานนั้นผมบห้ามหอกทานได้อยู่ทานได้อยู่แต่ว่ามันบวชทำความสุขให้เฮาได้แน่นอนเรื่องอันนี้บุเมศเสียงเงินสตางเดียวกับบได้เสียเสียแต่เฮามาสร้างสติพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเฮ็ดประมาณเบื่งจากสามเดือน เฮ็ดจากสามเดือนแล้วก็ไปทำการซื้อขายเฮ็ดไทยเฮ็ดหนาเลียงลูกเลียงหลานก็นได้โบเป็นยังเพราะความสุขประเภทนี่มันที่เขาไปอยู่ในจิตใจตายแล้วมันก็เสิโบหลวงโบลืมถ้าตายไปเท่อ น, นี้เกิดมาเท่นหน่าก็เสีโบหลวงโบลืมอันคุมเงินคุมคำาผมเฮ็ดไน้นั้นแท้อ้ยมันมันก็เรื่องหนึ่งอันน่ะมันก็เรื่องนึง อุจา่าของเจ้าหัวไอจุ่มมันทีไปเป็นเงินเป็นคำมันยังไงมันเขาก็ต้ไปคิดออกทางสันสื่อนี่นะอุจา่าของเจ้าหัวไอจุ่มก็คืออุจา่ะของเขานี่เราคือกันนั่นแล้วหักเพิ่นสอนจังสันผมมาเสื่อจังสันในซื่อในสมัยนั้นผมไม่เข้าใจเลยเมื่อนี้ผมเข้าใจเลยเมื่อนี้ผมตั้งอกตั้งใจเพราะว่าผมอยให้เพื่อนอาจารย์เขียนเวา้าเพื่อนมหาสุพนมก็เลยวางให้เวา้าอีกตื่ เ, เว่ากับเวา้าผมบ่กเป็นอย่างหนอผมบอกที่ พราะผมต้องการอยากให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเข้าใจอย่างนี้ความสุขอันนี้จะมีเงินล้านไปซื้อกับโบได้มีเงินจากพันลานนี่กับไปซื้อโบได้โบได้จริงๆเะธุมีบนขายจริงๆเห็นม๊อมีตลาดขายสิใดโมเหตุจะเห็นได้คือเฉพาะบุคคลผู้ที่มีขุมลูก เอาไปสอนให้แล้วเราปฏิบัติตามถ้าหากเราไม่ปฏิบัติตามผู้นั้นแล้วซื้อว่าไม่มีทางผมก็เลยไปสวยจับเอาดีฐานตั้งเศษกองกรอนมาวาให้ฟงังว่าการสร้างสอนแนะนคํครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็มีมากลายมีมากมีหลายผู้นั้นก็ว่าอาจารย์สอนวิปัสสนาผู้นี้ก็ซื้อว่าอาจารย์สอนสมถะกรรมาฐานผู้นั้นก็ซื้อว่าเป็นขนาอาจารย์สอนให้คนพนุก แล้วอยังบทตรพลทุกจักเถื่อผมเมื่อผมมันไม่ควมอย่างซีแล้วผมซื้อว่าผมมีทุกน้อยเดียวนี้ครับคันผมว่าผมมีทุกน้อยพอแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ก็มิบ่เห็นเพราะว่ามันบ่เห็นครับ <c oughs> มันบ่เห็นกันจริงๆเรื่องนี้แต่ผมเซื้อแนวมาผู้ที่ปฏิบัติอย่างซีผมกล้ายืนหยันอย่างที่ผมว่านั้เมื่อทุกคนนี่ไปปฏิบัติแล้ว ถ้าหากว่ามันไม่เป็นจริงแล้วเอาผมให้มรดุกค น, นึงแต่ผมก็บมีเงินจากตาลังเดี๋ยวนี้เนี่ย ม, มีเงินกับเงียยู่ในกระเป๋าแล้วมีเงินยุติสิบเอ็ดบาทนึกฮะยู่กระเป๋ายุยามพันหนะ่ะมีเหรียญห้สองเหรียญกับเหรียญบาทเหรียญหนึง่งแต่ผมมักสื้อหามาให้พ่อแม่พี่น้องได้จริงจริงรับรองจริงๆผมจะอดชวีวิตผมนี้เป็นประกันผมสิกา้ายืนยันอย่งสีเมื่อนี่มันต้องเอาเค็งๆจากน้อยแมนบอก ขันบอว่าอย่างซีมูเจ้ากันเลยอ่อนแอร์แม่โใจแข็งนำการเน้นให้มีใจใจเข้มแข็งเรื่องมู่เจ้าเข้ากรรมนี้เขาก็ได้บเขาก็ได้เรื่องหมูเจ้าทีเข้ากรรมนี่แปดมือเก้ามือเอ้าถ้าจเจริญสติปัฏฐานซี่ที่เก็บก็ได้บเก็บวัดนี่ก็ะได้ค่อยว่ามูาจเจ้าเจริญสติปัฏฐานซี่แบบนี่เรื่องเก็บวัดหมูเจ้านั้นกลับมาเฮ็ดอันนี้โดยเฉพาะค่อยรับรองอันนี้ดีกว่ามูเจ้าเก็บวัดนี่ค่อยว่าจังซีได้นี่ค่อยว่าโบไดเก่งใจไปได้นีิ คำเล่าอย่างนีอ้าวเจ้าผิดวินัยสักผิดกระผิดผิดเจ้ากันแล้วแต่ค่อยบหผิดแล้วค่อยมันผิดเจ้าอะไเจ้าว่าค่อยผิดกับผิดเจ้าหรืว่าของเจ้าว่ามันผิดนั้นก็ผิดที่เจ้าอาจารย์ว่าบุผิดมันก็บบผิดตอนนั้นว่าค่อยบ่ได้ถือสมมติทีเดี๋ยวนี้แต่ว่าสมมุติก็กระถืออยู่ในเวลาสังคมก็กระถือแต่ว่าความจริงก็ถือน้ำมือซื้อแต่จิตใจค่อยบุถือตัวยชีวิตของค่อยค่อยบุได้ถือเรื่องสมมุติเป็นอย่างไรเอาว่าบเผื่อลุกมือกัน ลุกจับมืองก็ได้จับมือก็ได้ใครกล้ามาัจับมืองกับโลกก็ได้เอาเลยละหมาท่านเอาก็ได้โลยประเดี๋ยวค่อยรับรองอือ้าวในขณะผมมาเขาปริวาสกรรมในี่ยผมที่ทำมึงเอาจริงหมง่จริงกับจริงเอากระท้อนนี้ก็ได้บุธาเอาหลายหรออเรื่องอบับสังขารที่เสดนั้นนะ่ะมันที่ปิวไปใส่กระเบื้หัจักแล้วบนหนะับนบะบรต้องที่ไปว่าขจีว้าไปแนวค่อยเว้านี่ผิดได้หนี่ขจีว่าไปหนึ่ง ปากบาเบาเหมิงเบาๆพันว้ามันก็เป็นการปลื้เสื้องให้้นเห็นหลังตัวเองวันเป็นวันเป็นการขายหน้าตัวเองก็เลยบเบาผมบม่ค่อย เ, เยว้าดอกครับแต่ว่าผมกล้ายืนยัน เ, เรื่องนี้สื่อที่มีวิธีกรรมต่างๆก็ได้เพมีวิธีกรรมต่างๆกันได้รับรองจริงๆที่บรับสิลห้าสินแปดก็ได้เพราะมันเป็นสินสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ การเดินจมกลมสร้างจังหวะบุได้ออก่างกายนี่ไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองและบุได้ไปทุจริตอะไรทั้งหมดนี่มันเป็นอย่างไรฉะนั้นจึงว่าผมตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าปีขึ้นมาผมทําผมไปว่ายุดใส่ผมต้องเอาชีวิตไปประกันไว้เพราะผมเป็นผู้น้อยคนผู้เดียวคันมือบอก้าอย่างซีแล้วเขาวกรว่าผมเป็นยาตัย่างที่ เ, เป็นอย่า ง, ง, งกระตำซ่าง เป็นอย่างต่าเทศนี้ผมยังบูถือว่าสําคัญอยู่นะดังนั้นพวกหนูพวกคุณเนี่ยถ้าพูดภาษาฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญย่ปุ่นไม่รู้น่เาไม่รู้ภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือภาษานกภาษาอังกฤษนี่พูดเป็นแล้วไม่ต้องหาคนมาแต่ หลวงพ่อยังมีคนแปลหลวงพ่อคนแปลจะพูดยังไงหลวงพ่อก็ไม่รู้อีกด้วยนี่เนี่พวกหนูเนี่ยพวกคุณเนี่ยควรที่จะศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆให้เป็นดอกไม้ที่สวยที่งามแมงผู้มงเพิ่งจะมาสมไม่ใช่จะเอาแมงวันไปตอมของเหม็นให้เข้าใจยังไงคนไปมากๆ บางทีอาจจะเป็นแมงผู้แมงเพิ่งก็ได้อาจจะเป็นแมงวันเขียวไปตอมของเหม็นก็ได้ให้เข้าใจจริงๆว่าวันฑิตนั้นน่ะถึงจะน้อยคนก็ยังทําคนให้มากคนขึ้นมาได้แต่เราเป็นปุถุชนเรียกว่าของเหม็นแมงวันเขียวทําคนหลายคนสามารถให้น้อยคนก็ได้ดังนั้นตัวของผมหรือตัวของอาตมา เขียนหนังสือไทยไม่เปลี่ยนผู้ภาษากลางให้คนไทยฟังเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เพาะเคยไปเทศในมหาวิทยาลัยเคยไปเทศโรงพยาบาลหลวงพ่อจะสมควรไปเทศอย่างนั้นไหมไม่สมควรทําไมหลวงพ่อไปเทศได้เพราะหลวงพ่อมีของจริงในใจของหลวงพ่อและทุกคนก็มีของจริงคนมีปัญญาฟังแล้วต้องทําใจเปลี่ยนได้แต่คนไม่มีปัญญาจําเป็นต้องเจริญสติ จะเลินขมรู่สึกแม้พระสงฆ์ในกรุงเทพเคยรู้หลวงพ่อกระหลายองค์แม้ไม่ใช่แต่วงการอันนี้วงการทหารก็ยังมีวงการตำรวจก็มีมีคนมาสนใจแม้ภาษาหลวงตาไม่รู้หนังสือแล้วคนสนใจเพราะเรื่องอะไรเพราะหลักพุทธศาสนาหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองจริงๆไม้จะกล้ายืนยันรับรองแต่คำพูดนะหลวงพ่อกล้าได้จริงๆดังนั้นท่าน ผู้แสดงตนเป็นพุทธบริสตัดหรือว่าเปิดโอลโรมิปสนาข่าวนี้ต้องมีใจเข้มแข็งาเราจะเปิดถ้าญาติโยมมาสมเราเราต้องสมญาติโยมจริงๆอย่าเพียงแต่พูดเท่านั้นเองดังนั้นวันพรุ่งนี้อยากขอเตือนพวกเราไว้แต่ปัจจุบันทําดีคนนี้จะดีมากวันนี้ก็ดีมากแล้วเพราะว่าไม่เคยเห็นญาติโยมเป็นอย่างนี้และไม่เคยเห็นพระสงฆ์เป็นผู้นําอย่างนี้จริงๆไม่โยม เออจริงๆนะไม่เคยสอนกันอย่างนี้เลยบางนั้นที่ว่าเราต้องทําให้มันดีญาติโยมเมื่อรู้ไปแล้วก็จะไปพูดว่าโอ้ยวัสนารรมในแม่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นออกหน้าออกตาจริงๆแม้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะครูบาออกหน้าออกตาจริงๆแล้วรก็นอนไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ทำเราก็มีขมละอายในใจที่ว่ามีฤทธิ์มละอายแก่ใจไม่ใช่อายละอายแกหน้านะละอายใจเราคุใจเราเกียดขานเนี่ยเมื่อใจเกลียดขานเป็นอะไร ก็ไม่ดีที่ไม่ดีจะเป็นอะไรก็เปรียบกับตัดในรักษาบนนั่นเองมันไม่รู้อายนม้มันอยากไปขี้ที่ไหนก็ขี้อยากไปอุดจระละบ้านบ้านทางนี้นะบ้านหลวงพลวัคขี้หมามันอยากขี้ที่ไหนมันก็ขี้มันอยากเยี่ยวที่ไหนมันก็เยี่ยวเพราะมันไม่มีความละอายในใจแม่นักศึกษาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนนักศึกษาเนี่ยคนกรุงเทพ ม, มีความสํานึกตัวอยู่เสมอมีความละอายในใจตัวเองอยู่เสมอจึงว่า มาศึกษาหลักพุทธศาสนาให้เข้าใจจริงๆเราจะออกไปมีคนถามเป็นยังไงโอหลักพุทธศาสนาสอนจริงๆให้รู้จักถึงชีวิตจริงๆเราจะได้ไปพูดคนเหล่านั้นก็จะได้รวมตัวกันมาเอาไปทดลองดูเนี่ยพวกหนูพวกคุณเนี่ยจะสอนเขาได้สอนฝรั่งก็ได้โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาแปลอย่างที่หลวงพ่อเนี่ย หลวงพอ่อเนี่ยพูดไม่เป็นต้องอาศัยคนอื่นแต่บางทีเอาหลวงพ่อเนี่ไปฆ่าซะเพรอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่รู้เนี่ยพวกหนูต้องรู้ใช่ไหมรู้อย่างนั้นเนี่ยนี่การสอนบางทีสอนอย่ากโกรธนะเนี่ยหลวงพ่อสอนอย่างนี้คนไปแปะหลวงพ่อบอกให้เราโกรธตีกันเนี่ยฆ่ากันเนี่ยอาจจะแปรอย่างนั้นก็ได้เนี่ยเพราะหลวงพ่อไม่รู้เนี่ยพวกหนูพวกคุณน่ะอย่ากโกรธนะเนี่ยหนูพูดเองอย่าทะเลาะวิวาสกันนะมันเดือดร้อนนะหนูพูดเองหนูรู้หลวงพ่อไม่รู้ หลวงพ่อเคยถามหลายคนมาหลวงพ่อไม่รู้นี่ลเลยว่าอยากเซิญก็ได้หรือว่าเรียกร้องก็ได้หรือว่านิมนต์เพื่อนพิสูจน์จามเร น, นก็ได้ต้องปฏิบัติจริงสอนคนต่างชาติต่างภาษาให้เขารู้ตามเห็นตามจริงจิงงญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าทุกวัดทุกบ้านทุกตําบลทุกอําเภอทุกจังหวัด ถือหลักพุทธศาสนาแต่ว่าความจริงนั้นเรายังไม่กล้าดังนั้นพวกเรามาที่นี่ขอให้เราทุกคนกล้าทำ